ชีวิตของพวกเรามีส่วนประกอบหรือองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจชีวิตของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขก็อยู่ที่การดูแลร่างกายและจิตใจนี้ให้ดีนั่นเองแต่ปัญหาของพวกเราคือเรารู้จักแต่ร่างกาย เราไม่ค่อยรู้จักจิตใจเรารู้จักวิธีดูแลร่างกายแต่เราไม่รู้จักวิธีดูแลจิตใจจิตใจของเราไม่ได้รับการดูแลเหมือนได้เหมือนกับร่างกายที่ได้รับการดูแลร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนการดูแลร่างกายนี่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับ การดูแลลูกเมียหลวงฮะส่วนจิตใจนี่มันเหมือนลูกเมียน้อยดูแลอยู่แต่ต้องดูแลแบบห่างๆแบบเงียบๆไม่เปิดหน้าเปิดตาไม่เหมือนกับดูแลเมียลูกเมียหลวงนี่ต้องเปิดหน้าเปิดตาคนรู้จัก เปิดตัวแต่ลูกเมียน้อยต้องแอ บ, บดูแลมาเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้เยลูกเมียหลวงจึงได้รับกุลการดูแลอย่างดีะมรดกก็จะตกไปอยู่ที่ลูกเมียหลวงแต่ลูกเมียน้อยนี่จะไม่ได้มรดก นี่ก็คือการดูแลร่างกายกับจิตใจของพวกเราคือพพูดเปรียบเทียบให้ฟังจะได้เห็นภาพชัดๆว่าเราดูแลร่างกายกับดูแลจิตใจอย่างไรนะครับเพราะว่าเรารู้จักร่างกายแล้วเรารู้ว่าเราถือว่ามันเป็นตัวเราของเราเราจึงต้องดูแลมันอย่างเต็มที่เพราะเรารู้ว่าเวลา เราขาดตกบกข้องบกค้องมันจะโวยวายขึ้นมาทันทีมันจ ะ, สะแสดงอาการทุกข์ให้กับเราทันทีถ้าเราขาดอาหารนิดหนึ่งนี้เดี๋ยวมันก็โวยวายขึ้นมาหิวหิวถ้าขาดน้ำมันก็โวยวายขึ้นมาขาดลมหายใจมันก็โวยวายขึ้นมาขาด ที่อยู่อาศัยมันก็โวยวายขึ้นมาประท้วงขึ้นมาใช่ไหมขาดยารักษาโรคมันก็ประท้วงขึ้นมาโวยวายขึ้นมาเราจึงดูแลร่างกายอย่างเต็มที่เลยเราดูแลร่างกายด้วยปัจจัยสี่อาหารนี่ใช่ไหมพร้อมบริบูรณ์ร่างกายนี่อ้วนเป็นตุ่ม แต่ใจนี่พร้อมกระหลองกระแหลงเพราะเราไม่รู้ว่าอาหารของใจคืออะไรเราไม่รู้ว่าใจต้องการอาหารเหมือนกับร่างกายต้องการอาหารเราดูแลแต่ร่างกายเป็นส่วนใหญ่ใจเราก็ดูแลบ้างแต่ไม่มากเท่ากับร่างกายร่างกายนี้เราให้อาหารมันเต็มที่เราหา เสื้อผ้าสวยสดงดงามวิจิตพิสดารราคาแพงๆขนาดไหนก็ยินดีที่จะทุ่มให้กับร่างกายเสื้อผ้านี่มีเต็มบ้านบางทีมีไม่ที่ไม่มีที่เก็บไม่พอเก็บที่อยู่อาศัยก็สุดๆมีกำลังซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อมันแบบสุดๆเนี่ย ยารักษาโรค ก, ก็เหมือนกันมีเงินทองมากเท่าไหร่ก็ทุ่มเทให้กับยาที่วิเศษรักษาพยาบาลถ้ามีเงินก็รักษาโรงพยาบาลเอ ก, กชนไม่เอาสามสิบบาทรักษาทุกโรคนี่คือการดูแลร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเราจึงไม่ค่อยมีมีปัญหาเท่าไหร่ แต่ใจนี่เราไม่ได้ดูแลเหมือนกับร่างกายใจก็ต้องการอาหารเหมือนกับร่างกายต้องการเครื่องนุ่งห่มเหมือนกับร่างกายต้องการที่อยู่อาศัยเหมือนกับร่างกายต้องการยารักษาโรคเหมือนกับร่างกายแต่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราต้องดูแลใจกัน นี่คือปัญหาในภาษาพระทั้งเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาคือการไม่รู้ไม่รู้ว่าใจต้องการอะไรไม่รู้วิธีดูแลรักษาใจให้มีความสุขเหมือนกับร่างกายถ้าเราดูแลใจเท่าๆกับร่างกายนี่ใจนี้จะให้ความสุขกับเรามากกว่าร่างกาย เป็นพันพันเท่าเลยเพราะความสุขทางร่างกายถ้าเปียกก็เียกก็เป็นเหมือนน้ำตุ่มเล็กส่วนใจนี่ก็เป็นเหมือนน้ำตุ่มใหญ่ตุ่มน้ำใหญ่ปริมาณของการบรรจุน้ำก็ต่างกันตุ่มเล็กก็บรรจุน้ำได้น้อยกว่าตุ่มใหญ่ใจก็เหมือน ร่างกายก็มีปริมาณลองรับความสุขได้ในระดับของร่างกายใจก็มีปริมาณการลองรับความสุขของใจมีขนาดไม่เท่ากันใจร่างกายลองรับได้น้อยกว่าใจความสุขของใจนี้จึงมากกว่าความสุขของร่างกายเป็นพันพันเท่าเลย นี่คือความแตกต่างระหว่างร่างกายกับจิตใจร่างกายนี้ให้ความสุขในระดับตุ่ ม, ต, มตุ่มเล็กส่วนใจนี้ในระดับตุ่มใหญ่หรือในขนาดสะอะไรสามารถใส่น้ำได้มากกว่าตุ่มเล็กๆความสุขทางร่างกายก็ได้ไม่มากเหมือนกับความสุขทางใจ แต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับใจเรากลับไปให้ความสำคัญกับร่างกายให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกาย <c oughs> ถ้าเราเอาความปริมาณที่เราทุ่มเทให้กับร่างกายนี้ไปให้กับใจใจนี้จะให้ความสุขกับเราอย่างมหาศาลเลยแต่เราไม่รู้กัน เพราะไม่มีใครรู้พ่อแม่เราก็ไม่รู้ปู่ย่าตายายก็ไม่รู้ญาสนิทมิตรสหายก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เรื่องของจิตใจไม่มีใครรู้ว่าจิตใจนี้เป็นแหล่งของความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าร่างกายเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราจะได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าร่างกายจิตใจนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอพเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานความสุขอันยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจเช่นเดียวกับความทุกข์อันยิ่งใหญ่ก็อยู่ที่ใจ ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวสำคัญร่างกายนี้เป็นตัวประกอบหรือเป็นตัวสารองเป็นผู้ช่วยไม่ใช่เป็นนายกผู้ช่วยนายกกับนายกนี้ไม่เหมือนกันหน้าห้องของนายกกับนายกนี้มีกำลังไม่เหมือนกันนายกนี้มีกำลังมีอำนาจ สั่งการได้เต็มร้อยหน้าห้องหรือเลขาของนายกนี้มีหน้าที่รับใช้นายกอีกทีใจเป็นนายกายเป็นบา่าวนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอยู่ตรงนี้ใจเป็นนายกายเป็นบา่าวใจเป็นผู้ที่จะสร้างความสุข ได้มากกว่าร่างกายแต่ถ้าเราไม่รู้จักใจเราไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขให้กับใจเราก็จะกลับทำตรงกันข้ามกันแทนที่จะสร้างความสุขให้กับใจเรากลับไปสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวเราทำยังไงที่เราเรียกว่าสร้างความทุกข์ให้กับใจ ก็การไปดูแลร่างกายมากเกินความจําเป็นนั่นเองมันจึงทําให้ใจของเราทุกข์กันทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรถ้าไม่ได้ทุกข์กับเรื่องของร่างกายทุกข์กับเรื่องการหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายของร่างกาย นี่เป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้มาดูแลจิตใจนั่นเองถ้าเราดูแลจิตใจเป็นจิตใจเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายเลยจะไม่ทุกข์กับการการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราใจ ดูว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรใจจะให้ความสำคัญกับใจมากกว่าให้ความสำคัญกับร่างกายเพราะใจรู้ว่าร่างกายนี้ความสำคัญน้อยกว่าใจร่างกายนี้อยู่ไม่นานก็ตายเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนมันก็ตายเหมือนกันแต่ใจนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจนี้ไม่มีวันตายใจนี้อยู่ไปเรื่อยๆอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์เท่านั้นเองถ้าไม่รู้จักวิธีดูแลจิตใจก็จะอยู่แบบทุกข์ถ้ารู้จักวิธีดูแลจิตใจใจก็จะอยู่แบบสุขไปตลอดอ น, นี่คือสิ่งที่ พวกเราจะรู้กันจะได้รู้จักกันได้เรียนรู้กันก็เวลาที่เรามาวัดแล้วมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้ว่านอกจากร่างกายแล้วเรามีจิตใจที่สำคัญกว่าร่างกายเพราะว่าจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตาย ส่วนร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ต้องตายดูแลมันดีขนาดไหนมันก็ดีเท่าวันตายเท่านั้นเองพอตายแล้วสิ่งต่างๆที่เราหามาเพื่อดูแลร่างกายนี้มันก็หมดความหมายไปแต่สิ่งต่างๆที่เราหามาให้กับใจนี้มันไม่มมันไม่หมดไปกับความตายของร่างกายมัน มันจะดูแลใจของเราต่อไปได้ปัจจัยสี่ของใจนี้จะดูแลใจไปต่อหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ปัจจัยสี่ของร่างกายนี้จะไม่ดูแลร่างกายต่อหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วมีปัจจัยสี่มากน้อยเพียงไรก็กลายเป็นมรดกไปเป็นของทายาทไปมีเงินกี่แสนล้าน ก็กลายเป็นของทายาทไปมีบ้านใหญ่โตขนาดไหนมีกี่หลังก็กลายเป็นของถายาทไปมีอะไรก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดเอาอะไรไปกับใจไม่ได้เลยสิ่งที่ใจจะเอากับใจไปได้เอาไปกับใจได้ก็คือปัจจัยสี่ของใจ เราจึงต้องมาศึกษาเพื่อให้รู้จักว่าปัจจัยสี่ของใจคืออะไรนั่นเองเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วเราหาปัจจัยสี่มาให้กับจิตใจจิตใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์จะมีความสุขมากกว่าความสุขทางร่างกายหลายพันเท่าหลายแสนเท่าเลยอันนี้คือ สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้เรื่องของใจได้ละเอียดได้ครบท้วนบริบูรณ์เท่ากับพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ค้นพบการเลีงดูจิตใจให้จิตใจอยู่อย่างสุข เรียกว่าบาลังบาังาสุ ข, ขังบาลังสุ ข, ขังบาลมังมสุ ข, ขังคือบัลลมะสุขใจใจได้บัลมะสุขก็เพราะพระพุทธเจ้าของพวกเหล่านี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสินใจจะไม่มีใครรู้จักสร้างบัลมะสุขให้แก่จิตใจ ก็คือจะไม่มีใครรู้จักการสร้างนิพพานให้กับจิตใจนั่นเองนิบานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบร ม, มสุขอย่างยิ่งนิพพานก็คือใจที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยปัจจัยสี่ของใจอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นั่นเองถ้าใจมีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์ใจจะมีบร ม, มสุขจะมีประมังสุขขัง เหมือนกับร่างกายของพวกเราตอนนี้มีบรมมาสุขกันเนี่ยร่างกายมันสุกเต็มที่แล้วนะจากการเลี้ยงดูของพวกเราตอนนี้ร่างกายไม่หิวข้าวไม่มีไม่ขาดที่อยู่อาศัยไม่ขาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มไม่ขาดยารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายของเราจึงอยู่สุขสบาย เป็นส่วนใหญ่นานๆนนถึงจ ะ, ะเจ็บไข้ได้ป่วยสักครั้งหนึ่งนานๆถึงจ ะ, ะมีปัญหาสักครั้งหนึ่งแต่ใจของพวกเรานี้มีปัญหาแทบทุทกวันเลยเดินขึ้นมาบางทีก็ไม่สบายใจแล่ะคิดถึงเรื่องนั้นเห็นสิ่ง น, นั้นคิดถึงคนนั้นก็ไม่สบายใจขึ้นมาได้อย่างทันทีนี่เพราะว่าใจขาดปัจจัยสี่ ไม่เหมือนกับร่างกายไม่ค่อยเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆกับอะไรต่างๆร่างกายอยู่อย่างสบายถึงเวลาก็มีกินถึงเวลาก็มีเสื้อผ้าให้ใส่ถึงเวลาก็มีที่หลบที่หลับนอนที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆถึงเวลาก็มียาให้กินถ้าถ้าขาดอะไรถ้าต้องการอะไรร่างกายนี้มีพร้อม มีปัจจัยสี่ของร่างกายคอยดูแลอย่างเต็มที่ถ้าใจของเราได้รับการดูแลแบบร่างกายนี้ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาแต่ตอนนี้ใจเราไม่มีความสุขตลอดเวลามีใครบอกได้ไหมว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลานี้ไม่ไม่มีเกิดความไม่สบายใจเลยมันต้องมีความไม่สบายใจ ไม่เรื่องนั้นก็บเรื่องนี้ไม่คนนั้นกับคนนี้ไม่สิ่งนั้นกับสิ่งนี้มันมีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆอันนี้แสดงอาการขาดการดูแลขาดปัจจัยสี่เราไม่ได้ให้ปัจจัยสี่แก่จิตใจเหมือนกับเราให้ปัจจัยสี่กับร่างกายใจของเราจึงมีแต่ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้น วุ่นวายกับเรื่องนั้นวุ่นวายกับเรื่องนี้วิตกกังวลกับเรื่องนั้นวิตกกังวลกับเรื่องนี้ดูอะไรป๊อปก็ไม่สบายใจขึ้นมาเห็นไหมเปิดเข้าไปในเ c e b o o k ใน youtube มีข่าวอะไรโพลขึ้นมาหน่อยก็ยี้กันละมีอะไรให้จิตใจนี้ต้องอวุ่นวายใจอยู่ได้เรื่อยนี่เป็นอาการของใจที่ไม่ได้รับการดูแล ด้วยปัจจัยสี่ถ้าใจได้รับการดูแลด้วยปัจจัยสี่จะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะสัมผัสกับอะไรจะรับรู้อะไรนี่จะไม่เดือดร้อนจะไม่วิตกกังวลจะไม่วุ่นวายใจจะประมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาใครด่าก็ปรมังสุขรั้งใครขโมยแฟนไปก็ปรมังสุขขังเพราะไม่มีแฟนจะให้ขโมย คนที่มีปรมังสุ ข, ขังนี้ไม่มีแฟนแฟนก็ไม่มีใครขมโมยไปได้แฟนของปรมังสุ ข, ขังก็คือธรรมะคือปัจจัยสี่ของใจนี่ปัจจัยสี่ของใจนี้เป็นขสิ่งที่เมื่อหามาได้แล้วจะคงอยู่กับใจไปจะไม่มีใครมาขมโมยไปได้เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายะ ปัจจัยสี่ของร่างกายนี้เผลอเดี๋ยวถูกขโมยซื้อข้าวมาวางไว้เผลอเดี๋ยวหมาข้าบไปกินเสื้อผ้าถสวยๆลองไปแขวนไว้ที่ไหนเดี๋ยวก็มีขโมยมาขโมยไปบ้านก็ถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องถูกเขาขับไล่ออกไปถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าไม่มีเงินซื้อก็ไม่มีบ้านอยู่ออแต่ ปัจจัยสี่ของใจนี้จะพอหามาได้แล้วจะอยู่กับใจจะดูแลใจจะไปกับใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจยังมีปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงดูแลให้มีบรมมัสุขไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะศึกษากันก็คือว่าปัจจัยสี่ของใจมีอะไรบ้าง เมื่อเรารู้แล้วเราจะได้ไปหามาเหมือนกับเวลาที่เราหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายแล้วรับรองได้ว่าใจของเรานี้จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับตามปริมาณของปัจจัยสี่ที่เราหามาได้ให้กับใจได้มากความสุขก็จะมากขึ้นไปตามลําดับความทุกข์ก็จะน้อยลงไปตามลําดับจนในที่สุด ความทุกข์จะหายไปหมดแล้วความสุขก็จะมีอยู่กับใจตลอดเวลาใหม่ๆความสุขใจก็ยังมามามามาหายหายตามปริมาณของปัจจัยสี่ที่เราหามาได้แต่พอเราหามาได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วอยู่กับใจได้นานขึ้นนานขึ้นต่อไปมันก็จะอยู่กับใจไปตลอด มันก็จะให้ความสุขกับใจไปตลอดนี่คือเรื่องของการดูแลร่างกายและจิตใจขอให้เราดูแลจิตใจเราเหมือนกับเราดูแลร่างกายเถิดแล้วรับรองได้ว่าใจของเรานี้จะสุขเหมือนกับร่างกายและจะสุขมากกว่าร่างกายเพราะปริมาณของความสุขของใจนี้มันยิ่งใหญ่กว่า ปริมาณของความสุขของร่างกายนั่นเองดังนั้นถ้าเราหาปัจจัยสี่ให้ร่างกายได้ครบบริบูรณ์แล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับการเพิ่มหาปัจจัยสี่ให้มากกว่าที่ร่างกายจะบริโภคได้มีเสื้อผ้ากี่ชุดมันก็ ใส่ได้ทีละชุดเท่านั้นเองมีอาหารซื้อได้มากน้อยเพียงไรก็กินได้แค่ชามสองชามเท่านั้นเองจะราคาถูกหรือราคาแพงมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันอาหารถูกอาหารแพงกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันทําไมเราจะต้องมาเสียเวลากับการหาเงินเพื่อที่จะมาซื้ออาหารแพงๆกินกันในเมื่อ เราสามารถกินอาหารถูกๆได้ทาหน้าที่อาหารทำหน้าที่ให้ความอิ่มกับร่างกายได้ซู่เอาเวลาที่เรามาหาสิ่งฟุ้งเฟยสิ่งหรูหราให้กับร่างกายนี้เอาไปหาปัจจัยสี่ให้กับจิตใจจะดีกว่าตอนนี้เราไม่ได้ดูแลจิตใจกัน เพราะเราไม่คิดไม่รู้ว่าเรามีจิตใจเหมือนกับร่างกายและสำคัญกว่าร่างกาย เ, ออเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเรา เ, ออเราจึงยอมทุ่มเทเออความสามารถความรู้ความสามารถของเราทั้งหมดนี้ให้กับการเลี้ยงดูร่างกายออแต่มันก็ ได้แค่ระดับหนึ่งระดับของร่างกายได้ระดับความสุขของร่างกายเท่านั้นซึ่งยังไม่ทำให้เราสุขทางใจความสุขทางร่างกายนี้ไม่สามารถแบ่งมาให้กับความสุขทางใจได้ต่อให้เราหาความสุขให้กับร่างกายมากน้อยเพียงไรพอมันเต็มแล้วมันก็จะล้นออกทิ้งไปเหมือนน้ำ น้ำที่เราใส่ไปในตุ่มพอมันเต็มแล้วเราจะใส่เข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ล้นออกมาปริมาณของน้ำมันจะได้เท่ากับขนาดของตุ่มความสุขของร่างกายมันก็จะได้ในระดับของความความสามารถของร่างกายที่จะรับความสุขนั้นได้ถ้ามากไปกว่านั้นมันก็ไม่ได้ทำให้ความสุขทางร่างกายมีเพิ่มมากขึ้น ดีไม่ดีกับจะกลายเป็นให้ความทุกข์กับร่างกายเช่นะอาหารนี่เดี๋ยวนี้เรายอมรับกันแนละ้วใช่ไหมว่ากินอาหารมากเกินไปนี่มันกลายเป็นโทษกับร่างกายเสียแล้วเมื่อก่อนเราคิดว่าโอ้กินเท่าไหร่ยิ่งกินยิ่งดีกินแล้วร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์แต่ที่ไหนได้มันไม่แข็งแรงสมบูรณ์มันกลายเป็นตุ่มไป เดีย๋ยนี้มีญาตยมตอนเชา้าต้องรีบเตืนมาใส่บาทเพราะใส่บาทเสร็จจะต้องออกไปวิ่งละเพราะว่าน้ำหนักมันเกินน้ำหนักมันมากเนเพราะว่านี่แหละการเลี้ยงดูร่างกายเพราะคิดว่าความสุขสุดความสุขทั้งหมดอยู่ที่การเลี้ยงดูร่างกายนั่นเองเราเลยกินกันอย่างสุดสุดยะอยากจะกินอะไรหามากินกินได้ทุกเวลา กินยังกระทั่งหมอต้องห้ามถึงจะหยุดกันเดี๋ยวนี้ยุคก่อนนี้เราไม่ค่อยเจริญทางด้านอาหารกันสมัยปู่ย่าตายายนี่ผอมกันส่วนใหญ่จึงไม่ต้องไปออกกำลังกายถ้าเปิดฟิตเนสก็ะเจงไม่มีใครไม่มีใครไปฟิตเนสเพราะว่าต้องทามาหากิน ออกด้วยกําลังกายทําไล่ไถนาร่างกายมันเลยไม่มันเลยไม่อ้วนกันว่ามันออกกําลังกายทั้งวันแล้วอาหารการกินก็ไม่อิ่มมีพีิมันเหมือนสมัยนี้อาหารก็มีเป็นพวกผักพวกข้าวจิมน้าามําพริกเอไข่ทอดไข่ต้มปลาทอดปลานึ่งไป ตามมีตามเกิดตามที่หาได้ตามในลำห้วยลำทานแต่ร่างกายไม่มีปัญหาทางสุขภาพเนี่ร่างกายไม่อ้วนไม่มีโรคต่างๆมาเบียดเบียนเหมือนกับสมัยนี้สมัยนี้โรคอ้วนนี่มีโรคต่างๆก็มาเบียดเบียนเยอะขายมันอุดตันความดันสูงอะไรต่างๆ น้ำตาลสูงเบาหวานกรดยูริกสูงก็เป็นโคโล ก, ก้าเป็นอะไรต่างๆมากมายอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการเลี้ยงดูร่างกายแบบแบบสุดๆแบบเกินเหตุเกินผลนี่แหละคือการโทษของการที่เราไปหลงไหลคลางไข้กับการดูแลร่างกาย แล้วมันก็ส่งผลไปกระทบกับใจเพราะว่าใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้ไปหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกายนั่นเองการที่จะซื้ออาหารซื้อปัจจัยสี่ได้ก็ต้องมีเงินมีทองใจนี่แหละที่จะต้องไปเนหน็ดเหนื่อยไม่ล้ากับการไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูลูกเมียหลวง ใช้ลูกเมียน้อยไปทางานหาเงินพอได้เงินมาก็ไม่ได้เอาไปเลี้ยงลูกเมียน้อยกลับมาไปเลี้ยงลูกเมียหลวงลูกเมียหลวงเลยกลายเป็นตุ่มไปส่วนลูกเมียน้อยก็พร้อมกระลองกระแหลงหิวโหยอยู่ตลอดเวลานี่คือปัญหาของคนที่ไม่รู้จักธรรมะไม่เคยเข้าวัดไม่เคยศึกษาธรรม เรือศึกษาธรรมก็ไม่ถึงธรรมศึกษาส่วนใหญ่ก็ไปศึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เรื่องธรรมจริงๆนี้เรื่องตัวสำคัญคือใจนี้ไม่ค่อยได้ศึกษากันเพราะคนสอนก็ไม่รู้จักเรื่องของใจไม่รู้จักเครื่องมือต่างๆที่จะมาใช้ดูแลใจแต่ก็ไม่รู้ว่าดูแลอย่างไรนี่คือสิ่งที่ พวกเราขาดกันก็คือธรรมะวิธีเลี้ยงดูจิตใจของพวกเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้อยู่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆอย่างที่พวกเรามีกันอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เราทุกกับอะไรบ้างทุกกับภัยต่างๆภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆอุบัติภัยต่างๆ แวขับรถนี่ก็สวดมนต์กันก่อนแล้ะจะออกรถขอให้แข้วคาดปลอดภัยขึ้นเครื่องบินก็ขอให้แข้วคาดปลอดภัยเรามีภัยต่างๆให้เราต้องคอยมาวุ่นวายใจอยู่แล้วภัยจากคนที่ไม่หวังดีมีภัยรอบด้านตลอดเวลานอกจากภัยข้างนอกแล้วก็ยังมีภัยข้างใน ภัยข้างในก็คือภัยที่เกิดจากการเลี้ยงดูร่างกายแบบเกินเหตุเกินผลก็ไปสร้างโรคภัยไข้เจ็บให้กับร่างกายอีกเนะี่ยมีภัยเยอะแยะนอกจากนั้นยังมีภัยของความแก่ของความเจ็บของความตายอยูนะ่พอเห็นผมขาวหน่อยเนะียใจก็วุ่นวายขึ้นมาแนละ้ว พอหนังหิวหน่อยโยนหน่อยใจก็ไม่สบายขึ้นมาแล้วพอเกิดอาการเจ็บตรงนั้นหน่อยเจ็บตรงนี้หน่อยเริ่มวิตกล้วเป็นมะเร็งหรือเปล่าต้องรีบไปหาหมอกันใช้ต้องไปเอกซเรย์เอกซเรตรวจค้นหาให้ได้มันเป็นอะไรพอรู้ว่าไม่เป็น อ, อ๋อโ่งใจไปหน่อยถ้าเป็นทีนี้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ทุกทีนี้ต้องมาทุกข์กับการรักษา นี่คือเรื่องของภัยต่างๆที่มารุ่มเล้าร่างกายแล้วไปส่งผลกระทบที่ใจของพวกเราเพราะใจเราไม่ได้รับการเลี้ยงดูดูแลใจเราเลยวุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายแต่ถ้าเราได้มาดูแลจิตใจด้วยปัจจัยสี่ของใจแล้ว ใจจะไม่วุ่นวายกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็ดูแลไปตามอัตภาพดูแลเท่าที่จะดูแลได้หายก็หายไม่หายก็ไม่หายเพราะถ้าเรียนรู้ทางเรียนทางธรรมะเราจะรู้กันว่าร่างกายนี้มันมีโรคอยู่สามชนิดเท่านั้นแหลอโรคที่เป็นแล้วหายเอง ไม่ต้องรักษาก็หายใช่หไหเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้วันสองวันเดี๋ยวบางทีก็หายไปเป็นไข้หวัดไม่มียากินก็ไม่เป็นไรขอให้ได้พักผ่อนหลับนอนหน่อยเดี๋ยวก็หายของมันเองได้โรคชนิดที่สองก็คือโรคที่เป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษามันก็ไม่หายโรคบางอย่างต้องกินยาถึงจะหาย โรคติดเชื้อต่างๆนี้ถ้ามียาปฏิชีวนะกินเข้าไปเดี๋ยวเชื้อที่ทำให้เกิดโรคภัยตายไปโรค ก, ก็หายได้ส่วนโรคชนิดที่สามนี้ท่านว่ารักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่จะตายลูกเดียวจะหายก็ตอนตายเทอานถ้าตอนตายนี้โรคนี้หายหมดเลย ก็มีแ okay. ค่สามโลกเท่านี้ใ mm ห้แล้วทุกคนจะต้องเจอทั้งสามโลกนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบเป็นแล้วหายก่อนแล้วก็เจอเป็นแล้วรักษาได้แล้วก็ไปเจอโลกสุดท้ายคือเป็นแล้วรักษาไม่ได้ก็มีเท่านี้เรื่องของร่างกายถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราจะไปวุ่นวายไปกับมันทาไมวุ่นวายอย่างไรมันก็ไม่มา แก้ความจริงของโรคของร่างกายนี้ได้โรคของร่างกายมันก็ยังจะเป็นอย่างนี้อยู่เป็นมาตั้งแต่ยุคของพระพุทธเจ้าแล้วนันมันจะเป็นต่อไปไม่ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์มีหมอมาค้นคว้ายาชนิดต่างๆมารักษายังไงมันก็รักษาโรคนี้ได้มันก็มีโรคใหม่มาโผล่ให้มารักมาม า, มาค้นคว้าวิธีรักษาใช่ไหม สมัยก่อนเรารู้จั ก, จกโรคเอดกันที่ไหนเดี๋ยวนี้มันก็โผล่ขึ้นมามันมีโรคแปลกๆใหม่ๆมาท้าทายความสามารถของมนุษย์อยู่เรื่อยๆเราสามารถกําจัดโรคนั้นได้มันก็มีโรคใหม่ขึ้นมาท้าทายใหม่สมัยก่อนมีเรามีโรคอาฮิวาเป็นอะฮีวกันทุกปีเดี๋ยวนี้มียาฆ่าเชื้ออหิวาเดี๋ยวนี้ไม่มีโรคอหิวาแนละ้ว แต่มีโรคอย่างอื่นขึ้นมาแทนที่โรคมะเร็งใช่ไหมโรคเอสดโรคอะไรต่างๆโรคไวรัสต่างๆไวรัสบไวรัสเออะไรนี่ไวรัสลงตับมันมีโรคต่างๆของมันนะร่างกายเพราะร่างกายเป็นที่สร้างโรคมาใช่ไหถ้าไม่มีร่างกายโรคมันมันก็ไม่มีที่ทำงานเข้าใจหมที่ทางานของโรค ก, ก็คือร่างกาย ถ้าไม่มีร่างกายโรคมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้โรคภายไข้เจ็บมันมีขึ้นมาเพราะไม่มีร่างกายนี่ทั้งเองถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีอลดความวิตกลดความกังวลเกี่ยวกับร่างกายได้เพราะเรารู้ว่าร่างกายนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเราจะ ดูแลมันอย่างไรดีขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาโรคต่างๆเหล่านี้ได้มันจะต้องเป็นของมันไปตามธรรมชาติของมันนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้มาเรียนรู้กันวิธีที่จะดูแลจิตใจวิธีที่จะทำให้ใจเรามีอาหาร ก็คือต้องทำบุญทำทานออการทำบุญทำทานนี่เป็นเหมือนกับการเสื้ออาหารมาให้กับใจ เ, ออเหมือนกับเวลาเราหิวข้าวเราไปที่ไหนเราไปร้านอาหารเนี่ยไปบิ๊กแมคไป KFC ไปพิซซ่าหรือไปที่ไหนก็ตามออที่เราต้องการเราก็ไปถึงก็สั่งอาหารมารับประทาน พอรับทานเสร็จปั๊บความหิวของร่างกายก็หายไปใจก็เหมือนกันใจเราหิวอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้เนี่ยเราคนรที่จะดับความหิวนี้ความอยากนี้ด้วยการทําบุญทําทานอย่าไปทําตามความอยากของใจว่าสิ่งที่ใจอยากได้ไม่ได้เป็นอาหารของใจ เป็นยาเสพติดของใจเราอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่เราก็เลยหิวหิวกับการไปเที่ยวเราเราก็เลยต้องไปเที่ยวถึงจะหายหิวแต่มันหายหายเดียวเดียวเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินพอกลับมาบ้านความสุขความเพลิดเพลินจากการไปเที่ยวมันก็หมดไป แล้วเดี๋ยวเราก็อยากจะออกไปเที่ยวใหม่อยนี้ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้เอาไปทาบุญนี้ใจเราจะหายจากความอยากไปเที่ยวความอยากไปเที่ยวไม่มีอยู่บ้านก็ไม่เดือดร้อนอยู่บ้านอย่างสุขอย่างสบายอยานี้คืออาหารของใจเราต้องทําบุญทําทานตอนที่เราจะไปซื้อยาเสพติดให้กับใจ เวลาใดที่เรามีเงินเราจะเอาเงินนี้ไปซื้อซื้อยาเสพติดให้กับใจเราต้องเปลี่ยนการซื้อจากยาเสพติดมาซื้ออาหารให้กับใจอาหารก็คือบุญเราเอาเงินไปทําบุญนี้เท่ากับเราเอาเงินไปซื้อบุญไปซื้ออาหารมาให้กับใจ แล้วเราก็จะระงับการไปซื้อยาเสพติดไปในตัวด้วยเอพอเราไม่ซื้อยาเสพติดเราไม่เสพยาเสพติดต่อไปเราก็ไม่ติดยาเสพติดถ้าเราไม่ไปเที่ยวตามความอยากต่อไปความอยากไปเที่ยวมันก็ไม่มีมันไม่มีเราอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขได้เออเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราไปทําตามความอยาก พออยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสงการนี้ห้าวันเนี่ยจองตั๋วกันไปละเนี่ยหมดกันไม่รู้กี่หมื่นกี่แส น, นถ้าเราไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้ามันก็ต้องไปเที่ยวอีกเดี<ม>๋ดีไม่ถึงไม่ถึงปีหน้าเดี๋ยววันหยุดช่วงหน้าพ้นสงการแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอวันหยุดเข้าภรรษาเดี๋ยวก็ไปอีกถ้ามีเงินมันจะไปอยู่เรื่อย แล้วพอเงินไม่มีมันก็เดือดร้อนเพราะว่ามันจะไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนที่ติดยาแล้วไม่ไม่มียาไม่ไม่มีเงินไปซื้อยามามาเสพมันก็จะรู้สึกหิวโหวยทรมานใจนะนันเราต้องมาแก้ปัญหาของพวกเราตอนนี้พวกเราติดยาเสพติดกันยาเสพติดของพวกเราก็คือของที่ไม่จําเป็นที่เราจะต้องบริโภคนั่นเอง ของที่เราต้องบริโภคให้กับร่างกายนี้ถือว่าเป็นของจำเป็นไม่เป็นยาเสพติดถึงเวลาก็ต้องมีอาหารในร่างกายรับประทานเสื้อผ้าไม่พอใช้ก็ต้องหาเสื้อผ้ามาให้สวมใส่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องหาที่อยู่อาศัยให้กับร่างกายนอันนี้เป็นของจำเป็นการใช้เงินเพื่อซื้อปัจจัยสี่ให้กับร่างกายนี้ไม่ถือว่าเป็น เป็นเป็นกิเลสไม่เป็นความอยากแต่เป็นความจําเป็นแต่ถ้าซื้อเกินความจําเป็นอึ่งนีเรียกว่าเป็นกิเลสคือซื้อของแพงๆซื้ออาหารแพงๆ ance, ทั้งๆที่อาหารถูกๆก็กินอิ่มเหมือนกันทําหน้าที่ได้เหมือนกันซื้อเสือ para, ้อผ้าราคาแพงๆเมื่อทั้ ง, ทงๆที่เสื้อผ้าราคาถูกก็ทําหน้าที so. ่ได้เท่ากันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการ ซื อ, อยาเสพติดเหมือนกันถึงแม้จะเป็นปัจจัยสีก็กลายเป็นยาเสพติดได้ถ้าซื้อเกินเหตุเกินผลเกินความต้องการของร่างกายฉะนั้นแม้แมแต่เวลาที่เราจะใช้เงินกับปัจจัยสีของร่างกายเราก็ต้องระวังท่านถึงสอนให้เราใช้แบบประหยัดมัธยัติใช้แบบมากน้อยสันโดษคือเอาน้อยๆเอาเท่าที่ต้องร่างกายต้องการจริงๆเอง อาหารมือละห้าร้อยกับมื้อละร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันต่างกันที่บรรยากาศเท่านั้นเองอาหารก็ชนิดเดียวกันส้มตําในร้านห้าร้อยส้มตําข้างถนนร้อยหนึ่งกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันแต่กินในร้านมันมีห้องปรับอากาศมีอะไรมีคอนเสิร์ฟมีอะไรทําให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนพระราชามาหากษัตริย์บสักหนึ่งมือ้อก็เลยยอมเสียเงินซื้อบรรยากาศกันไม่ได้ซื้ออาหารหรอก อาหารก็ชนิดเดียวกันแต่ที่เสียเงินซื้อก็ซื้อบรากาศมีคนมาบริการมีมีจานมีชามีถ้วยอะไรโอ้ยรูลราดูแ ล, แลเหมือนกับอยู่ในวังเนี่ยนี่คือกิเลสเนี่ยนี่คือการใช้เงินตามความอยากอย่าไปใช้เงินแบบนี้เพราะมันจะติดล้วเวลาไม่มีเงินใช้มันจะทุกข์เนี่ย อันนั้นแล้วมันจะทำให้เราต้องดิ้นรนหาเงินหาทองกันอยู่มากอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เรานี้บกพร่องในการหาปัจจัยอย่างอื่น ปัจจัยสี่นอกจากอาหารแล้วยังมียะมีเครื่องนุ่งหม่มมีบ้านที่อยู่อาศัยและมียารักษาโรคของใจอีกถ้าเราเอาเวลาไปหากับหาเงินหาทองเพื่อมาใช้กับความอยากต่างๆเราจะไม่มีเวลาที่จะมาหาปัจจัย สีอย่างอื่นมาเลี้ยงดูจิตใจเม้แต่เงินที่จะมาทําบุญก็จะไม่มีปีหนึ่งอาจจะทําบุญแค่ไม่กี่ครั้งทําบุญเฉพาะวันเกิดทีหนึ่งปีใหม่ทีนึ่งถ้าเรากินข้าวเฉพาะวันเกิดกับวันปีใหม่ร่างกายมันอยู่ได้ไหมร่างกายมันตายไปนานแล้วนี่แหละคือสภาพของใจใจมันที่มันอยู่ได้ก็เพราะมันไม่ตายเนทะ่านั้นแต่มันอยู่แบบคนอดอยาก อยู่แบบพวกที่เราไปเห็นเวลาที่เขาปลดปล่อยออกจากค่ายกักกันเห็นไหมเคยเห็นคนที่ออกมาจากค่ายกักกันมไหม เ, เห็นแต่หั้งหุ้มกระดูกนั่นแหละคือสภาพของใจถ้าใจมีร่างกายมันจะเป็นอย่างนั้นใจของเรานี่หิวโหอยอยู่ตลอดเวลาพร้อมกระหลงกระแหล่งไม่มีกําลังจิตกําลังใจเจออะไรนิดเจออะไรหน่อยก็วี่งขึ้นมา ไม่มีความหนักแน่นไม่มีความอดทนไม่มีความเข้มแข็งเพราะใจขาดปัดจจัยสี่นั่นเองดังนั้นเราต้องอย่าไปทุ่มเทเวลามากจนเกินไปให้กับร่างกายพอให้ร่างกายอยู่ได้พอให้น้ำของร่างกายเต็มตุ่มก็พออย่าไปให้มันน้นเลยน้นกี่ตุ่มมันก็ได้น้ำแค่หนึ่งตุ่มนั่นเองเอาเวลา ที่ไปหาเงินหาทองมาใช้กับร่างกายนี้ไปหาปัจจัยสี่มาให้กับใจดีกว่าเอาเงินไปทำบุญถ้ายามเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของไม่จำเป็นของหรูหราของแพงๆก็เอาไปเอาเงินนี้ไปทำบุญแล้วใจเราจะมีอาหารจะมีความอิ่มขึ้นมาต่อไปความอยากได้ของแพงๆอยากได้ของหรูหรา ของฟุ่มเฟือยอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันจะไม่มีภายในใจมันจะอยู่แบบส ม, มถะเรียบง่ายได้แล้วมันก็จะทำให้ใจจะได้ไปทำหน้าที่หาปัจจัยสี่ข้อที่สองคือเครื่องนุ่งห่มได้เครื่องนุ่งห่มของใจข้อที่สองปัจจัยสี่ของใจข้อที่สองก็คือศสืเนี่เองศสืนี่คือเสื้อผ้าพ่อนของใจ ศีลนี่จะปกป้องรักษาใจไม่ให้มีภัยมาทำลายจิตใจเราใส่เสื้อผ้าไว้ทำไมการมาแรงสัตว์กัดต่อยใช่ไหมการอากาศหนาวเย็นต่างๆที่จะมาทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ฉะนั้นเราก็ต้องมีศีลมาปกป้องใจไม่ให้ใจนี้ถูกภัยเข้ามาทำลายภัยที่จะมาทำลายใจคืออะไรก็คืออบายสีนี่ ถ้าไม่มีศีลคือทําบาปอยู่เป็นนิดเป็นไม่เคยรู้จักการารักษาศีลไม่รู้จักการละเวน้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมโุรายาเมาสแสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีเสื้อผ้าผ่อนคนที่ไม่มีเสื้อผ้าเวลาเจอแมลงสัตว์กัดต่อยก็ไม่มีอะไรป้องกันเวลาเจออากาศหนาวเย็นก็จะไม่มีอะไรป้องกัน ฉันใดคนที่ไม่มีศีลก็จะไม่มีเครื่องนุ่งห่มมาป้องกันภยัภยของใจคือการไปเกิดในอบายนั่นเองอบายมีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกนี่นี่นะผู้ที่ไปเป็นเดรัจฉานนี่ก็เพราะเนี่ยไม่มีศีลกันผู้ที่ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายผู้ที่ไปตกนรกก็เป็นพวกที่ไม่มีศีลนั่นเอง พอไม่มีเสีคยคุ้มครองใจพอภัยเคือบายทั้งสี่บุกเข้ามาก็ต้องรับเต็มๆนั่นเองเหมือนกับเวลาอากาศหนาวเย็นบุกเข้ามาที่ร่างกายถ้าร่างกายไม่มีเสือ้อผ้าร่างกายเป็นเปลือยร่างกายเปลือยอยู่นี่ก็จะรับอากาศหนาวเย็นเข้าไปเต็มร้อย แล้วก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะถึงกับความตายไปก็ได้หรือถ้าโลกถูกมลสัตว์กัดต่อยก็อาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ได้อันนี้คือเสื้อผ้าอาพรของใจนอกจากเป็นเสื้อผ้าไว้ป้องกันภัยแล้วยังเป็นเครื่องประดับด้วย เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่ใช่ไหมนอกจากเราใช้เป็นเครื่องป้องกันภัยแล้วเรายัางใช้เป็นเครื่องประดับด้วยประดับความงามของร่างกายกันใช่ไหมเราซื้อเสื้อผ้าเนี่ยกรต้องลองแล้วลองอีกใส่แล้วสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อถ้าใส่แล้วไม่สวยไม่หล่อก็ไม่เอาต้องเลือกเอาสีสันเอ่ยขนาดเอ่ยแบบเอ่ย แขนสั้นแขนยาวกระโปรงสั้นกระโปรงยาวกางเกงสั้นกางเกงยาวโอ้ยกว่าจะได้มานี่เหน็ดเหนื่อยนั่งดูแล้วดูอีกคิดแล้วคิดอีกเพราะอะไรต้องการเสริมความสวยงามของร่างกายศีลด้วยเป็นเครื่องเสริมสวยความงามของใจคนที่มีศีนกับคนที่ไม่มีศีนใครน่ารักกว่ากันถ้าเราจะต้องอยู่กับคนที่มีศีนกับคนที่ไม่มีศีนเราจะเลือกอยู่กับใคร นั่นแหละแค่ถามแค่น well, ี้ก็จะได้คําตอบถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่แน่ใจว่าเขาจะฆ่าเรานึกเปล่านี่เราก้าจะอยู่ถ้าเราอยู่กับคนที่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะลักขโมยเข้าวของเงินทองหรือเปล่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมายุ่งกับสามีภรรยาเราหรึเปล่าเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมาโกหกหลอกลวงเราหรือเปล่า ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมากินเหล้าเมายาอรารวาสในบ้านเราหรือเปล่าเราอยากจะให้คนแบบนี้อยู่กับเราหรือเปล่าอใช่ไหมนี่แหละคือความสวยงามของของคนของใจไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้ า, าพระอยู่ที่ศีลถึงแม้มีเสื้อผ้ า, าพรสวมใส่สวยงามขนาดไหนเวลา เ, าเมาแล้วเหมือนหมาไหมวาจาพูดหยาบคาย แต่เสื้อผ้าใส่แบบหมหรูหราเป็นของดีไซเนอร์ของกุชชงกุดชี่แต่ปากออกมานี่ยยาบคายพูดคำหยาบพูดจาเละเทะอันนี้เพราะดื่มสุราพอดื่มสุราแล้วก็ไม่ไม่มีสติที่จะประครับประคองความคิดที่จะคิดไปในทางที่ไม่ดีเวลาคิดไม่ดีก็ปล่อยมันระบายออกมา คนที่ได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นการกระทาก็เบื่อหน่ายกลายเป็นคนหน้ารังเกียจไปมีใครอยากจะอยู่ใกล้คนเมาว่างเปล่านี่คือศีลเป็นสิ่งที่เราขาดกันเราไม่มีคนรักเราก็เพราะนี่แหละเพราะไม่ใช่ว่ารูปร่างหน้าตาเราไม่สวยงามหรือเพราะว่าเราไม่มีเงินทอง สิ่งที่เราคนที่เขาไม่ชอบเราเพราะว่าเราไม่มีศีลเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เป็นคนไม่สุดจริตเป็นคนที่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นนั่นเองคนที่ไม่มีศีลมากๆนี้เขาต้องแยกออกไปอยู่ในคอกในกองทำไมเราต้องสร้างคุกสร้างตารางกันก็เพราะว่าไว้รองรับพวกที่ไม่มีศีล น, นี่เอง เพราะถ้าปล่อยให้อยู่ข้างนอกก็จะไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเลยต้องแยกนี่แหละการไม่มีศีลจึงทำให้ผู้ไม่มีศีลนี้ทำตัวเป็นเหมือนเดรัจฉานเนเดรัจฉานเพราะเสือสิลกระทิงล้านนี้พอมันออกมาเพ่นพ่านในบ้านในเมืองเราทำไงรีบไล่จับกันเนี่ย รีบ ใ, ใจพราะกลัวมันเนี่ยถ้าปล่อยให้มันเพ่นพ่านเดี๋ยวไปจ้าเอ๋กับมันก็จะถูกมันกัดตายได้คนที่ไม่มีศีลก็เป็นเหมือนเสือศีลกับทิงแรดดีๆนี่เองเขาจึงต้องจับไปขังในคุกในตารางเพื่อที่จะได้ไม่ไปไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลใครสบายใจกว่ากัน คนมีศีนี่สบายใจไม่มีความวิตกกังวลว่าจะถูกเขาขอลหานินทาตาหนิติดเตียนไม่กลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษอยู่อย่างสบายใจเวลาเดินเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ตกใจไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีศีนี่พอเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตกใจแล้วให้มันจะมาจับกูหรือปล่ะ น, นี้ใจจะต่างกันใจที่มีศีลจะเป็นใจที่เย็นจะสบายไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวแต่ใจที่ไม่มีศีล น, นี่ก็เป็นเหมือนอวัวสันหลังหวะพอมีนกเอียงนกอะไรมามาเกาะหน่อยท่านั้นมาเกาะที่แผลหน่อยก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วแต่วัวที่ไม่มีสันหลังหวะนี่ก็นกเอียงมาเกาะก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกทรมานแต่อย่างใด นี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ข้อที่สองคือเรื่องของศีลเครื่องนุ่งห่มนะเราต้องเอาเวลามารักษาศีลกันวิธีการรักษาศีลได้ง่ายก็เพราะว่าเราไม่ต้องไปหาเงินทองมามารับใช้ใช้กับกิเลสใช้กับการดูแลร่างกายแบบเกินขอบเขตนะ ถ้าเราไม่ใช้พุ่งเฟือยเนี่ยเดือนละสเดือนละวันละสามร้อยก็อยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้เขาจะไม่กำหนดเงินเงินค่าแรงขั้นต่ำหรอกที่เขากำหนดค่าแรงขั้นต่ำสามรอยเพราะเขาได้คิดแล้วว่าสามร้อยนี้อยู่ได้ถ้าเราอยู่แบบสมสถะเรียบง่ายเนี่ย วันละสามร้อยก็อยู่ได้นะ้งนั้นถ้าเดือนหนึ่งเราหาหาเงินได้สักหมื่นหนึ่งเราก็หยุดหาเงินได้แทนที่จะต้องไปทํางานทุกวันได้เงินมาเป็นหลายหมืน่นหลายแสนแต่ถ้าเราต้องการใช้จริงๆเพียงแค่หมื่นเดียวเราก็ทํางานแค่วันสองวันก็พอหรืออาทิตย์ละวันสองวันเราก็พอมีเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็จะได้มีเวลาไปอ หาปัจจัยสี่อย่างอื่นได้แล้วการรักษาศีลก็จะง่ายเพราะเราไม่ถูกกดดันให้ต้องหาเงินแบบง่ายๆมา ก, มากๆเร็วๆนั่นเองเพราะเราไม่ต้องใช้เงินมากเราก็จะไม่ต้องไปทำบาปไม่ต้องโกหกหลอกลวงไม่ต้องช่อโกงไม่ต้องคอร์รัปชันกันนี่คือเรื่องของการหาปัจจัยสี่ ต้องเริ่มต้นที่ก ห, หาอาหารให้กับใจด้วยการทาบุญทาทานแล้วมันจะลดความกดดันของเรื่องของการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองลงแล้วมันจะทำให้เราสามารถรักษาศีลได้ง่ายเราก็จะได้ปัปจจัย4ี่ข้อที่2คือคือการรักษาศีลพอเรารักษาศส้าได้เราอยากจะหาปัจจัย สี่อันที่สามคือบ้านที่อยู่ของใจเราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากห้าข้อไปเป็นแดข้อแล้วก็ไปฝึกทำใจให้สงบการทำใจให้สงบนี้เป็นการสร้างบ้านให้กับใจเพราะเวลาใจสงบนี้ใจมีที่หลบภัยเวลาเรามีความทุกข์วุ่นวายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้าเรานั่งสมาธิเป็นทาใจให้สงบพอเราเข้าไปนั่งสมาธิปั๊บเดียว ความวุ่นวายใจจะหายไปหมดนี่คือปัจจัยสีข้อที่สคือบ้านคือสมาธิเราต้องมีเวลาต้องสามารถมีกำลังที่จะรักษาศีแปดได้รักษาสีล8เพราะรักษาสีแปดมันจะสนับสนุนในการทำให้เรามีสมาธิขึ้นมาเพราะเราจะมีเวลาถ้าไม่ถือศีแปดเดี๋ยวจะถูกกิเลสเอาเวลาไปทาอย่างอื่นกัน นี่คือการหาปัจจัยสี่คือบ้านก็สุดท้ายคือหายามารักษาใจใจนี้เวลาไม่อยู่สมาธิออกมามันจะวุ่นวายใจจะทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ เรามถ้าเรามียาเราก็สามารถใช้ยามารักษาได้โดยที่ไม่ต้องไปหลบเข้าไปในสมาธิก็ได้ถ้ามียาแล้วต่อไปเราไม่ต้องเข้าสมาธิใช้ยาพอเจอเรื่องอะไรทําให้ใจวุ่นวายก็ใช้ยายาอันนี้ก็คือปัญญาปัญญาคือการเห็น เห็นใจรักเห็นอริยสัจสีเรียกว่าปัญญาถ้าเราเห็นว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากต่างๆเราก็หยุดความอยากท่นนั้นเองไม่สบายใจเพราะอยากจะให้เขาไม่ด่าเราแต่เราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเขาอยากจะด่าเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราอยากให้เขาไม่ด่าเราก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ถามตัวเองแล้วเราห้ามเขาได้หรืเปล่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นสิ่งที่เราสั่งได้ห้ามได้หรือเปล่าเขาเป็นอัต ตาหรือเป็นอนัตตาเขาเป็นอนัตตาเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่ด่าเราเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราหยุดความอยากของเราไม่เฉยเฉยเสียก็ อ, อยากจะด่าก็าปล่อยด่าไปเราก็ไม่ทุกข์อันี่คือการใช้ปัญญาในการแก้ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเรา สามารถเข้าถึงระดับนี้ได้เราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เวลาไม่สบายใจกับเรื่องอะไรมันก็จะรู้ทันทีว่าเกิดจากความอยากของเรานั่นเองอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากให้คนนั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็ไม่สบายใจเสียใจน้อยใจขึ้นมาท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีปัญญาก็รู้ว่าอา้าถ้าอยากแล้วไม่ได้ก็อย่าไปอยากมันก็จบ ก, ก็เปลี่ยนใจท่านเอง ไม่เอาก็ได้วะก็คิดอย่างนี้มันก็หายมันก็หายทุกแล้วขอให้เราหัดใช้คำนี้ให้เป็นไม่เอาก็ได้วะอยากได้แล้วไม่ได้ก็ไม่เอาก็เอาวะไม่ได้อยากให้เขาไม่ด่าเราเขาจะด่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทาไปถ้าเราหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเกิดมาแล้วมันก็จะต้องจอไม่ช้าก็เร็ว ก็ให้คิดแบบที่พระเจ้าสอนให้คิดว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ยังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วไม่มีร่างกายมันแสนจะสบายมีร่างกายนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหากินหาอยู่หาอะไรเรื่องวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้น พอตายไปแล้วสบายไหมฮะไปดูสิคนตายเนี่ยเคยเลี้ยงดูคนตายคนเป็นพอตายไปแล้วไม่ต้องไปเลี้ยงดูกันแล้วสบายจะตายไปจะให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะมีปัญญาเราจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความทุกข์ต่างๆเกิดจากความอยากของเราเท่านั้นเองนี่คือการหาปัจจัยสี่มาให้กับใจะ มาเลี้ยงลูกเมียน้อยให้เป็นเหมือนเลี้ยงลูกเมียหลวงให้มันเขาให้มันเสมอภาคกันลูกเมียหลวงมีปัจจัยสี่ครอบลูกเมียน้อยก็ต้องมีปัจจัยสี่ครอบจะได้สุขทั้งกายสุขทั้งใจเอาแล้วนะวันนี้พอสมควรแก่เวลายังขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปป an ักปติอิชิต um ังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตสัเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณาระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสโตมาเตภวตตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสินิตะนิตจังวุฒาปจายโน าตาโรธรร ม, มวัานติอายุวันโนสุขังภาลางังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่จากเฟ e บุ๊ k นะคะ 347, y o u t สี่ 256, เจ็ดูสองอห้าหกวิทยุออนไลน์สามผู้รับฟังบนเขาห้าสิบแดรวมทั้งสิ้นห9 4้อยเก้าสิบสี่ท่านค่ะ ใครต้องการถามอะไรก็เป็นช่วงนี้เปิดโอกาสให้ถามได้ฟังทำแล้วไม่เข้าใจตรงไหนอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมก็สามารถถามได้เชิญก็ามาเลยมาเอาไมโครโฟนไป พูดใกล้ปากหน่อยเสียงจะได้ดังฟังฉันนะรบกลับนมัส ก, การเจ้าค่ะพระ อ, อาจารย์พอดีพรุ่งนี้จะครบเจ็วันบ น, นวันสุดท้ายที่จะอยู่แล้วลูกก็จะกลับบ้านที่อเมริกานะคะก็เลยมีคำถามหนึ่งคือว่า ข, ข้อที่หนึ่งนะคะ จากที่ได้ฟังพระอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องของการฝันนะคะว่าเราฝันแล้วเราสามารถดูได้ว่าเราเได้บุญหรือบาปนะคะในการฝันทีนี้ลูกอยากทราบว่าเราสามารถเลยลูกเลยคิดว่าเป็นการประเมินสภาวะจิตนะคะจากการฝันนะคะเราสามารถประเมินได้ในระดับขั้นภาวนาไหมคะอย่างเช่นถ้าฝันว่าคุณแม่แบบไม่สบายแล้วลูก ก็ทุกมากแล้วก็ร้องไห้ในฝันนะคะทีนี้เนี่ยเราคิดได้ไหมคะว่าเราควรจะฝึกอุเบกขาให้มากขึ้นใช่แสดงว่าจิตเราไม่มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาก็จะเฉยเฉยก็แปลว่าคือลูกยังมันแสดงว่าจิตเรายังไม่มีอุเบกข า, ามันก็แสดงออกมาในฝันนั่นแหละแล้วก็ยังไม่มีปัญญาด้วยใช่ใช่ <laughs> ว่ามันต้องอาศัยตั้งสมาธิทั้งสติทั้งปัญญาถึงจะมีอุเบกขาได้อย่างท้าวกร สาธุเจ้าค่ะข้อที่สองนะคะก็คือก็ฝึกอยู่กับพุโทโธะคะ่ะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าจิตสงบมากขึ้นนะนะคะทีนี้เนี่ยขณะที่ฝึกพุโทโธอยู่บางครั้งเนี่ยภาวะที่ความคิดอกุศลเนี่ยคะ่ะก็ผุดขึ้นขึ้นมาลูกก็ใช้พุโทโธ ช่วยล้วค่ะก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธถี่ขึ้นทีนี้เราอยากทราบว่าขณะที่ความคิดที่อกุศลเนี่ยขึ้นมาเนี่ยจะบาปไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปออกทางกายทางวาจายังไม่บาปก็คือใช้ถูกใช่ไหมคะถ้าใช้พุโทโธใช้พุโทโธแต่อย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันหายเพราะมันจะทําให้เราเครียดจากความอยากแต่ใช้พุโทโธไปแบบไม่ต้องไปกังวลว่ามันหายหรือไม่หาย แต่รู้ว่ามันต้องหายแต่มันอาจจะหายช้ากว่าความอยากของเราท่านเองบางคนพออยากให้มันหายก็เลยพุโทโธสองคำแล้วอยากจะให้มันมาหายพอไม่หายก็เครียดขึ้นมาอย่างนี้ไม่ถูกเราก็พุโทโธพุโทโธไปสบายสบายหายไม่หายก็เรื่องของมันแต่รู้ว่าเดี๋ยวมันต้องหายถ้าเราไม่หยุดพุดโทโธมันก็ต้องหาย เจอค่ะแล้วเมื่อวานที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องว่ายน้ําแล้วเราก็เกาะเสาค่ะลูกก็เลยคิดว่าอย่างนั่งสมาธิอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามีความคิดแทรกเข้ามาแต่ถ้าเราบริกรรมยึดพุโทโธพุธโทโธไม่ว่าความคิดจะเป็นยังไงมันก็จะเกิดดับมันก็นนจะหายของมันผ่นานไ ป, ไปแล้วมันจะเบาบางลงไปต่อไปมันก็หยุดเองก็ให้เหมือนกับเราเกาะเสาอเอาไว้พายุจะมาอย่างไงก็เกาะพุทโธเดีวพายุมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็หมดน้ําก็แสน้ําที่มันหลเชี่ยวเดี๋ยวมันก็หยุดเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วสุดท้ายก็คือการฝึกลูกก็ฝึกต่อจะไปฝึกต่ออยู่ที่บ้านนะนะคะก็ไกลาจากพระอาจารย์กันได้มาอยู่ที่นี่ใกล้ตรงไหนเนี่ยติดตามได้ทุกวันนี่ติดตามอยู่แล้วค่ะติดตามมาตลอดค่ะทีนี้อยากจะขอพระอาจารย์นะคะให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําที่ช่วยเตือนสติลูกด้วยเวลาลูกมีความรู้สึกหดหูและท้อใจนะเจ้าค่ะจะบอก้ฟังเวลาไม่สบายใจจะบอกกําลังขาดยาละ ต้องรีบกินยาต้องข้อหาธรรมะต้องพุทธโทรหรือฟังเทศน์ฟังธรรมไปทุกครั้งที่ไม่สบายใจสแสดงว่าเราไม่สบายขาดยาแล้ว เราไม่ได้กินยาไม่มีสติไม่มีปัญญาแนละรีบเสริมสติรีบเสริมปัญญาทันทีเจ้าค่ะบางทีก็คิดว่าเรามาทําอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่ไปหางานทําทํางานที่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคทั้งโลกโเจ้าค่ะพอเราเชื่อ <c oughs> พราพุทเจ้าไง <c oughs> พระพุเจ้าบอกทำงานนี่ดีกว่าไปทํางานทางโลกโเจ้าค่ะทํางานทางโลกได้ทั้งหลายเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปหมด ทำงานาทางธรรมนี้ได้เท่าไหร่เป็นของเราหมด <c oughs> ไม่ต้องเสียภาษี <c oughs> ไม่ต้องหาภาษีหน้าที่จ่ายครค่ะเติมคสาทุค่ะทุาาสาทุค่ะ อยู่เมืองไหนเท็กซัสอะไรดอลาร์เือดลามีวัดไทยอย่างนี้ฮะอาจารย์สมานอป่ไม่ไม่รู้จักชื่อท่านเลยเราฟังพระอาจารย์อย่างเดียวอ๋อไม่เคยไปวัดเลยเคยเข้าวัดแบบบ้านราเนี่ยเนียที่บ้านก็เป็นวัดใจดีแล้วนะเดี๋ยวนี้อยู่ห่างไกลแค่จอหน้าจอเท่านั้นเอง อยู่แต่ที่นั่นต้องเป็นกลางวันกลางคืนเนี่ย <c oughs> เราเราสองโงเราที่นู่นตีสองนูน่น <c oughs> ตีสองตีหนึ่งนูน่น <c oughs> ตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ตีสามยี่สิบตีสามเท <c oughs> ่ากันสิบสองชั่วโมงอโอเคก็ตื่นขึ้นมาได้นอนหัวค่าหน่อยนอนหกโมงพอตีนหนึ่งตีสองก็ตื่ น, น, น, ลนแล้วเปลี่ยนเวลานอนใหม่ถ้าอยากจะติดตาม แต่ไม่ติดตามก็ดูภายหลังก็ได้ดูย้อนหลังได้ทุกวั น, นลูกก็ส่งคำถามมาอโอเคสาธุนะอขอจะเจริญก้าวหน้าในทางขึ้นไปเรื่อยๆน ะ, ะมีใครอยากจะถามอีกก็ถามได้นะ ถ้ายังไม่มีก็จะเอาคำถามทางบ้านก่อนจะได้ไม่เสียเวลาค่ะคำถามจากคุณวิชาโลนลรีกราบน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ การควบคุมดูแลจิตใจให้มีศีลบางทีมันก็ยากลำบากเหมือนกันนะคะเราควรจะฝึกยังไงไม่ให้ใจมันหลุดออกจากศีลคะโยมก็พยายามนั่งสมาธิเพื่อให้มาฆ่ากิเลสในใจแต่บางทีใจมันก็เผลอออกนอกกรอบอยู่ดี พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะก็ใช้เงินน้อยๆใช้เงินน้อยๆความอยากจะหาเงินมากๆมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอะไรมากดดันให้เราจะต้องโอกหกหลอกลวงเมื่อช่อกงใช่ไหมที่เราต้องหาเงินมากๆเพราะเราใช้เงินมากใช้กับของฟุ่มเฟือยใช้กับของไม่จําเป็นใช้กับกิเลสใช้กับซื้อยาเสพติด ใช้กับรูปเสียงกิน่นรดมันก็เลยไม่พอใช้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอมันก็เลยต้องหามากๆง่ายๆเร็วๆมันก็ต้องโกหกต้องชอ่อโกงไปแต่ถ้าเราหามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่โอะยรับรองได้ไม่มีอะไรมากดดันให้เราจะต้องไปทำบาปวิธีที่จะทำให้เราเลิกใช้เงินก็คือเอาเงินที่จะใช้ไปในทางที่ผิดเอาไปทาบุญทาทานแล้วต่อไป ความอยากที่จะใช้เงินในทางที่ผิดมันก็จะหยุดไปคำถามจากคุณวันนิพพากลาบนมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้หลังจากฟังธรรมจากพระอาจารย์โยมมีคำถามคือโยมทำงานและอยู่คนเดียวที่ต่างประเทศเงินที่ได้รับจากการทำงานโยมได้เผื่อแผ่ไปถึงคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยายพี่น้องและหลานหลาน รวมถึงบริจาคให้กับพระภิกษุสงฆ์ตามวัดวาต่างๆและผู้ที่ยากไร้ปัญหาคือโยมอยากสละทางโลกมุ่งหน้าสู่ทางธรรมไม่อยากเป็นทาสของเงินต่อไปแต่ถ้าทําอย่างนั้นหลายชีวิตจะต้องเดือดร้อนเพราะโยมไม่มีเงินที่จะให้ใครๆอีกต่อไปโยมควรจะหาตรงกลางระหว่างทางโลกกับทางธรรมอย่างไรเจ้าคะอ๋อก็ต้องบอกคนที่ราบการช่วยเหลือว่าต่อไปนี้การช่วยเหลือจะยุติลง ภายในเวลานั้นเวลานี้ช่วงนี้เริ่มหัดพึ่งตัวเองได้แล้วนะเพราะเราก็จะไม่อยู่ไปตลอดวันดีคืนดีเราก็ต้องตายจากพวกคุณไปงั้นขอให้เราจากไปแบบที่เรายังไปทําประโยชน์ให้กับตัวเราได้จะดีกว่าจากพวกเธอไปตอนที่เราทําประโยชน์อะไรให้กับเราไม่ได้ทุกคนต้องรู้จักพึ่งตนเองการช่วยเหลือนี้เป็นเพียงแต่เป็นการ ช่วยช่วยเสริมให้ชีวิตดีขึ้นทั้นเองแต่ความจริงแล้วทุกคนอย่าไปหวังพึ่งใครนอกจากว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆเช่นพิการหรือหรือไม่ชลาภาพอย่างนี้ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ก็จำเป็นที่ก็จะช่วยเหลือเขาเราก็อาจจะช่วยเหลือแบบทิ้งเงินก้อนให้เขาไปอะไรทำนองนั้นเราก็ เราก็บอกว่าก็ช่วยได้เท่านี้แหละเราไปช่วยคนได้ตลอดเวลาได้อย่างไรไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายอยู่ดีตอนนั้น เ, เวลาตายเราก็ช่วยใครไม่ได้อยู่ดีแต่เราก็จะไม่ได้ช่วยตัวเราด้วยถ้าเราตาย แต่ถ้าเราบอกเขาลงหน้าว่าจะขอยุติการช่วยเหลือในรูปแบบนี้อาจจะเปลี่ยนในรูปแบบอื่นอาจจะให้เงินทิ้งไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็บริหารการเอาเองก็แล้วกันอถ้าฉลาดก็ ก, ก็ก็คงจะไม่เดือดร้อนถ้าไม่ฉลาดก็ก็ช่วยไม่ได้แต่เราก็ต้องไปทําประโยชน์ให้กับ ใจิตใจของเราต่อไปไม่เช่นนั้นเราก็จะกลับติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะคำถามจากคุณจินตนาโยมพยายามจะให้มีสติอยู่กับตัวแต่มักจะเผลอพอรู้ก็กลับมาทำใหม่และมีวิธีการสร้างสติให้อยู่กับตัวเองตลอดเวลาอย่างไรเจ้าคะก็คอยสร้างมันอยู่เรื่อยไง พอเผยพอรู้ว่าเผอก็กลับมาพุทโธต่อส่วนใหญ่ล้วมักจะขี้เกียจกันขี้เกียจพุทโธขี้เกียจเจริญสติเนี่ยมันก็เลยสร้างสติขึ้นมาไม่ได้ยังไต้องใช้ความเพียรพยายามบอกว่าเป้าหมายงานหลักของเราคือการฝึกสติสร้างสติเนีพอเผอปั๊บก็ต้องดึงกลับมาด้วยพุทโธพุทโธทํทำไปเรื่อยๆ เ, เ, เดี๋ยวมันก็จะได้สติ ขึ้นไปตามลําดับมันไม่ได้แบบพุ่งพับทันทีทันใดพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่หรอกมันเหมือนปลูกต้นไม้เนะี่ยมันก็ค่อยๆเจริญวันละนิดวันละหน่อยวันละหนึ่งเซนสองเซนแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับเวลาหกเดือนที่แล้วกับเวลานี้เราอาจจะเห็นความแตกต่างในความในการมีสติของเราแต่ถ้าจะเราเอาต่อ วินาทีต่อวินาทีหรือชั่วโมงต่อชั่วโมงนี่มันจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างกันเท่าไหร่ให้เราต้องอดทนต้องใจเย็นเย็นกุงโลมไม่ได้ช่างภายในวันเดียวสร้างสตินี่ยากยิ่งกว่าสร้างกุงโลอีกนะให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายคำถามจากคุณนวลสีลูกเจอก้อนเนือ้อ ลูกเจอก้อนเนื้อแข็งที่แขนไม่มีอาการเจ็บจิตก็บอกว่าเป็นมะเร็งแน่เลยใจก็ไม่กลัวค่ะแล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าเป็นมะเร็งจริงก็ยังดีกว่าอุบัติเหตุตายยังมีเวลาตั้งรับแบบนี้สติลูกใช้ใช้ได้ไหมเจ้าคะ่ะก็ได้ในระดับการทําการบ้านต้องไปเข้าห้องสอบดูต้องไปให้หมอยืนยันดู นะครตอนนั้นก็จะดูว่าใจเรายัางเป็นเหมือนตอนที่เราทําการบ้านหรือเปล่าก็ทําการบ้านมันอย่างหนึ่งพอไปขึ้นเวทีนมันอีกอย่างเห็นไหมนักมวยเวลาซ้อมโจ๊กโอ้ยเก่งอย่างงน้นอย่างนี้ยังต้องขึ้นเวทีแล้วไปเจอคู่ต่อสู้จริงเราถึงจะรู้ว่าสู้เขาได้หรือเปล่าตอนนี้เราก็ทําการบ้านเรายังไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปให้หมอเขายืนยันอดูสิว่าถ้าหมอบอกอ่า เป็นน่สามเดือนยุติลงชีวิตทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นดูว่าใจเรายังเป็นเหมือนตอนก่อนที่ไปหาหมอหรือเปล่าก่อนไปหาหมอกับหลังจากกลับมาหาหมอเหมือนเดิมเท่าเดิมก็แสดงว่าสอบผ่านถ้าไปแล้วกลับม า, ก ล, บมากลายเป็นอีกคนหนึ่งก็แสดงว่าสอบคำถามจากคุณบัวแซม อยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการเรื่องความเกิดดับของรูปนามอะไรเกิดอะไรดับกิริยาเกิดดับเป็นอย่างไรหรืออาการเป็นอย่างไรคะอ๋อเอารูปนามตอนนี้ก็สติก่อนก็แล้วกันเวลาเสอก็เรียกว่าสติดับนะก็ต้องดึงสติกลับมาพอพุโทโธพุโทโธสติก็เกิดนะแค่นี้ก่อนนะในแนวปฏิบัติมันมีหลายระดับของรูปนาม ในการเริ่มต้นนี้เราต้องเอาระดับสติให้ได้ก่อนแล้วถึงจะไปถึงระดับอื่นได้ต่อไปถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะไปดูรูปนามระดับอื่นๆได้ เหตนีตอนนี้ขอให้เราดูระดับสติก่อนว่าสติเราเกิดหรือดับหรือเปล่าถ้าดับก็ต้องทําให้มันเกิดเราพยายามประยุก์รักษาให้มันมีสติอยู่เรื่อยๆง่ายๆถ้าเวลาพุทโธพุทโธนี่เรามีสติแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าเรามีสติไม่มีสติก็ดูไปตอนนี้พุทโธเปล่าไม่ว่ากําลังคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตนั้นๆนั้นไม่มีพุทไม่มีสติแล้สติต้องอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองถ้ามีสติต้องอยู่ในปัจจุบัน ถ้าเรากําลังอยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่อเนี่ยยังมีสติถ้าไม่ได้อยู่กับงานไปอยู่กับเรื่องเมื่อวานนี้เรื่องพรุ่งนี้นี่แสดงว่าสติหายแล้วอ้าวก็ม า, เ, าเดี๋ยวธรรมาสการ์ค่ะหลวงพ่อรู้อยากถามว่าเมื่อสักสองสามันหนูก็มีอาการเจ็บป่วยแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายอ่ะ มันไม่อยากนอนเจ้าขาหลวงพ่อหนูก็เลยบอกกับตัวเองว่ามันไม่อยากนอนก็ไม่นอนก็นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมพระอาจารย์อาการป่วยอะที่ในชั่วโมงที่ฟังพระอาจารย์นั้นพอจากจบชั่วโมงนั้นรู้สึก มันดีขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมะโอสถใช่ไหมเจ้าคะคือความไม่สบายใจมันลดลงความไม่สบายทางร่างกายาจะเท่าเดิมแต่ความไม่สบายใจทางใจมันลดลงมันก็เลยรู้สึกว่ า, าการมันมันมันลดลงไป <c oughs> เพราะเราป่วยไม่ได้ป่วยเฉพาะร่างกายเว <c oughs> ลาร่างกายป่วยใจป่วยด้วยใจไม่สบายด้วย แล้วถ้าเรามีธรรมโอสถเช่นฟังธรรมหรือฝึกสตินั่งสมาธิเราจะลดความไม่สบายใจทางใจได้ลงไปแล้วเราจะเห็นความแตกต่างเลยว่าโอ้ความความไม่สบายทางร่างกายเหมือนกันมันน้อยลงไปความจริงมันเท่าเดิมแที่มันน้อยลงไปจริงๆก็คือความไม่สบายทางใจแล้วก็เรื่องที่สอง ก็เหตุการณ์ก็เกิดจากเ ม, ะมะกื่อวานก็หนูได้ฟังเรื่องราวจากคือบางเอิญก็ไม่ได้อยากฟังเรื่องคนอื่นแต่บางเอิญต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องฟังแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นไม่ใช่เรื่องจริงจริงๆโดยนิสยัยส่วนตัวหนูต้องแย้งหนูก็อดทนแล้วให้มันจบไปแล้วก็ลุกขอตัวลุกขึ้นแฟนหนูก็รู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเอเป็นอย่างนั้นหนูก็เลยบอกว่าสิ่งที่คนนั้นพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันฉัน ไม่ได้อยากฟังพูดแบบมันไม่ใช่หลวงพ่อคะ่ะดูอยากทราบว่าการที่เราทําตัวแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ่ะถูกแล้วแหละไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครไปพูดแล้วไปเถียงกันเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเพระคนที่รักกันก็มาทะเลาะกันเพราะเรื่องอย่างเงี้ยพอพูดแล้วไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เชื่อแล้วไปเถียงกันเดี๋ยวเขาก็ไม่พอใจดีแล้วแหละเราเฉยๆไว้รู้เฉยๆก็พอ ก็ไม่ใช่กับเฉพาะเรื่องนี้ทุกเรื่องเลยเรื่องไหนก็เฉยๆไปได้เฉยๆไปเจ้าค่ ะ, น, ะนี่แหละอุบเบกขาแต่ยังอุบเบกขาน้อยยังต้องเดินหนีถ้าอุบเบกขามากก็นั่งฟังต่อไปคมณอยากจะพูดอะไรพูดไปแต่เราไม่ไปอะไรกับมันเพียงแต่ฟังเพียงแต่รับรู้ไปเท่านั้นเอง รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็พอไม่ต้องไปมีอะไรไม่มีปฏิกิริยาพูดง่ายๆ <c oughs> อ่าแสดงว่าหนูก็ต้องทําให้แฟนดูดูออกใช่ไหมใช่ปะค่ะคือการที่หนูไม่อุเบกขาเขาก็คนอื่นดูออกใช่ไหมคะว่านวางไม่จริงเออเอา <c oughs> ยังต้องเดินหนีอ่านอก <c oughs> จากว่าหนูไม่อยูบกัขาแล้วหนูขี้เกียจฟังอันนี้ก็อุเบกขาได้เหมือนกัน แต่มันไปได้สองแบบไปเพราะลำคาญไม่อยากจะฟังอย่างเงี้ยยังไม่มีอุเบกขาไปเพราะเบื่อฟังแล้วไร้สาระอันนี้ไม่ได้ไปเพราะอยากไปแต่เพราะว่ามันอยู่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไปอยู่เงียบๆคนเดียวไปทำอะไรที่เกิดประโยชน์มากกว่าดีกว่าหายหน้าไปหลายอาทิตย์เนี่ยเป็นเดือนเลยเนี้ย น, นะธรรมดาคเคยมาทุกอาทิตย์นี่ถูกอะไรดึงไป หรืวาดูที่บ้านดูที่บ้านเจ้ า, าี่บ้านเนี่ยยังมีถ่ายทอดช่องอะไรนะช่องแปดเจบ้านนําเภอเคเบิลช่องแปดเอเอก็เนี่ยหนูได้ตรงเนี้ยแหะค่ะ เ, <อ>เวลาป่วยนอนแนี่ล่ะก็อ้าบ่ายสองเปิดเล ย, ยเจ<อ>้าคเขาถ่ายทอดสดทุกวันเลยนะเอ้แล้วมีดูย้อนหลังตอนคืนด้วยใช่มบาง<ม>บางช่วง ม, มีมีบางช่วงเอา่านี่ เขาว่าบางบางบางช่วงก็ชัดบางช่วงก็ไม่ชัดเลยบางวันอ๋อช่วงย้อนหลังไม่ชัดเลยเจ้าค่ะแปแต่เวลาถ่ายเท่าสดชัดเลยชัดเจ้าค่ะมันน่าจะเป็นตรงกันข้าวนะเด้ออันอันนี้ก็ไม่ง้อนะ้คะเพราะมีอันนี้แล้วค่ะกระจายแล้วเด้อออโอเคก็มีเฟซบุ๊กยูแต่ช้ไม่เป็นอะเออหนูไม่หนูไม่เล่นไม่เล่นตรงนี้เไม่เอาเลยนะแอนตี้โซเชียล โอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเป็นงานตั้งแต่มาฟังเทศฟังธรรมเอาไปปฏิบัติชีวิตเป็นยังไงดีขึ้นไหมสำหรับส่วนตัวหนูดีมากๆาสุดๆโฆษณาให้ฟังหน่อยมาเป็นบิเซนเตอร์ให้กับให้กับรายการหน่อยไม่ใช่ให้ฟังค่ะที่หนูปฏิบัติมาที่ปลายปีห้าแปดจนถึงปัจจุบันนี้ชีวิตดีมากแล้วก็ดีสุดๆ หนึ่งปัญหาไม่มีแน่นอนแล้วกเ็เรื่องไ อ, อ้ใจแล้วก็เรื่องทุกๆอย่างไม่มันตอบโจทย์แบบทุก ไอ้ถามไอ้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกๆเรื่องได้โดยที่บางครั้งที่หนูไม่ได้มาถามพระอาจารย์หนูก็ฟังธรรมพระอาจารย์มันรูはは้สึกมันหยุดตรงนั้นได้หนูก็เลยรู้สึกก็ขอบคุณพระอาจารย์มากเลยว่าขอบคุณพระธรรมพระใช่เจ้าว่าทําให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ เออหนูจากหน้ามือกับหลังมือที่ฝ่าเพราะว่าหนูมืดมาเจ้าค่ะหลวงพ่อใช้คําว่าที่ที่สุดของมืดเจ้าค่ะของบ้านอำเภอธนบุรีสุดเลยค่ะหลวงพ่อหนูยอมรับค่ะเพราะว่าเมื่อถ้าเราถ้าไม่ปฏิบัติเราจะไม่เห็นตัวเองพอมันถึงวันนี้หนูเห็นตัวเองว่าโอ้เราทําอะไรไปเมื่อจีที่มากมายแล้ววันนี้เรามาอยู่ตรงนี้แต่หนูก็ไม่ ไม่แต่ก่อนรู้สึกท้อถอยพอมาฟังทำพระอาจารย์อดีตพระอาจารย์เคยเทศประจาว่าอย่าไปสนใจอดีต<อ>และอย่าไปนึกถึงอนาคตให้ถึงให้นึกถึงว่าวันนี้พุธทธธและปัจจุบัน<อ>พร ะ, าะอาจารย์คะคำนี้หนูจำได้เสม อ, อถูกต้องแล้วคนรอบข้างก็ดีขึ้นหมดเลยในนี้ <c oughs> ลูกสามีมาใส่โบกใส่บาทกันเมื่อก่อนไม่เคยใส่กันนะเจ<อ>้าค่ะคือแฟนหนูก็ค่อยค่อยดี ไปตามลําดับแต่แต่ก่อนแรกๆหนูก็ยังรู้สึกว่าเวลาหนูมาจงจุดนี้หนูอยากให้แฟนดีมากๆตอนให้เขาเลิกเหล้านู่นี่นั่นจงปัจจุบันนี้หนูเฉยๆแล้วเพราะว่าพระอาจารย์ก็บอกแล้วว่าเรื่องของใครของมันใช่หนูก็เลยรู้สึกใจหนูก็เออไม่เกี่ยวสบายใจไม่ทุกข์กับเขาแล้วเขาจะเดิอมก็เรื่องของเขาเขาจะเมาก็เรื่องของเขาอโอเคไป มีใครอยากจะถามอีกก็ถามไม่มีก็เอาทางบ้านต่อค่ะคําถามจากคุณพีโกกรรมคุณห้าที่ยึดจิตไว้จัดเป็นอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมครับอ๋อมันไม่เป็นกุศลรกอกุศลมันเป็นของกลางกลางใจเราไปเป็นกุศลกับอกุศลกับมันเราเห็นรูปเสียงเกิรลด ทำให้ใจเกิดกุศลก็ได้ทำให้เชื่อเกิดอกุศลก็ได้ถ้าเห็นแล้วเกิดโลภเ ก, กิดหลงก็เป็นอกุศลถ้าเห็นแล้วเห็นว่าเป็นตายรักมันก็เป็นกุศลนั้นมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัส ร, รับรู้เขาไม่มีกุศลอกุศลในตัวเขากุศลอกุศลอยู่ในใจเราอยู่ที่มุมมองของเราว่ามิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิ ถ้าเป็นเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันก็เป็นอกุศลขึ้นมาทันทีเพราะมันจะเกิดโลภโกรธหลงขึ้นมาทันทีถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเห็นอยู่ที่ ทัศนคติของเราอยู่ที่ทิฏฐิของเราว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือสัมมิจฉาทิฏฐิถ้าไม่หาธรรมะก็จะมีแต่มิจฉาทิฏฐิพอเข้าหาธรรมะก็จะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิจากการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาก็จะเริ่มเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความโลภความโกรธความหลงที่เป็นอกุศลมันก็จะเบาบางลงไป และหมดไปในที่สุดคำถามจากคุณสีสมัญญาถ้าเราได้ค่าแรงจากการทำงานแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรไม่รับแต่เขาจะให้เราแล้วเขาบอกว่าให้เราไว้ทำบุญถ้าเป็นแบบนี้บุญจะเป็นของเราหรือของเขาเจ้าคะถ้าเรารับค่าแรงมันก็เขาแสดงว่าเขาทาบุญกับเราหรือถ้าไม่เป็นทำบุญก็เป็นเรื่อง การค้าขายนี่ไม่ไม่ถือว่าเป็นการทําบุญเช่นเราทํางานให้เขาเขาให้ก้าแรงเราเราไปซื้อของเราให้เงินเขาเขาให้ของเราอย่างนี้ไม่ได้เป็นการทําบุญเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายแต่ถ้าเราอยู่ดีๆอยู่เฉย it be, เขาอยากจะให้เงินเราโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรให้เขาถ้าเรารับเงินเขามาเขาก็ได้บุญแล้วถ้าเราเอาเงินนี้ไปให้คนอื่นต่อเราก็ได้บุญอีกทอดหนึ่ง นี่คือบุญบุญเกิดจากการให้โดยที่ไม่ต้องการที่จะรับอะไรเป็นเป็นสิ่งตอบแทนถ้ามีรายตอบแทนก็ไม่เป็นบุญละเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายไปคำถามเจ้าคุณเจริญจิตห ล, ลงผู้อื่นมาหลายสิบ ป, ปีตอนนี้ภาวนาพิจารณาอสุภะ ตอนนี้จิตไม่คิดไม่หลงเขาไม่รู้ทำถูกหรือไม่ครับถ้าไม่หลงก็ถูกอ่ะไม่หลงแต่ยังอยากอยู่ก็เปล่าถ้ายังอยากก็ยังยังผิดอยู่ไม่หลงยึดติดเขาไม่ถือว่าเป็นของเราแต่ยังอยากให้อยู่เขาอยู่ใกล้ๆเราอยู่มันก็ยังหลงอยู่ต้องแบบว่าไม่อยากเลยอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องอยู่กับใครถั้งนี้ไม่หลงคำถามจากคุณศิรินทราการถอนอุปทานให้ได้ควรดูที่ มโนหรือขันห้าคะ่ะดูสิ่งที่เราต้องการจะถอนเนี่ยดูว่ามันเป็นตายรักเช่นเห็นยาเสพติดนี้เป็นทุกข์เนี่ยเราก็จะถอนอุปทานการยึดติดกับยาเสพติดได้แต่ถ้าเรายังเห็นว่ายาเสพติดเป็นสุขมันก็เลิกไม่ได้ถ้าเห็นว่าสุรายังเป็นสุขอยู่ก็เลิกสุราไม่ได้ถ้าเห็นว่าบุหรี์ยังเป็นสุขอยู่ก็เลิกไม่ได้แต่ถ้าเห็นมันเป็นทุกข์ปั๊บมันก็จะเลิกทันที คำถามจากโยมเพชรอยู่วัดแม่ชีมีหน้าที่เข้าครัวทำอาหารถวายพระแม่ชีบางคนมาทำบ้างไม่มาบ้างอย่างนี้เราควรวางใจทำใจอย่างไรคะคือความจริงเป็นการเข้าใจผิดหนแม่ชีของอหน้าที่ของคนเข้าวัดทุกคนคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาส่วนหน้าที่อื่นๆนี่ก็เป็นไปตามความ จำเป็นเอถ้าจำเป็นจะต้องช่วยทำครัวก็ต้องัช่วยกันเอถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องช่วยเอแล้วคนที่จะช่วยไม่ช่วยนี่ก็อยู่ที่ธรรมะของเขาว่ามีมากกว่ากิลเลสของเขาหรือเปล่าถ้ากิลเลสมีมากกว่าบางทีเขาก็เอาตัวรอดเขาก็ไม่มาช่วยเอเขาก็อาจจะอ้างว่าฉันจะไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่รู้ไปจริงหรือเปล่าอันนี้ ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลและเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสที่จะมาคอยสอสองดูแลว่าควรที่จะจัดการอย่างไรคือถ้าเป็นกิจกรรมที่ต้องทาร่วมกันก็ไม่ควรที่จะอ้างว่าไปปฏิบัติธรรมเช่นพระนี้พระเวมรมนี้พอถึงเวลาช่วยกันมากวาดลานวัดก็จะออกมากันทุกคนถ้าใครอ้างก็บอกอย่างนก็ไปอยู่ที่อื่นก็แล้วกัน ต้องต้องมีมาตรการบ้างแต่พยายามให้มีงานภายนอกให้น้อยที่สุดคือมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นงนหน้าที่ของทุกคนที่ไปอยู่วัด น, นี้ไม่ใช่มาเป็นมาคนเป็นคนกวาดลานวัดมาเป็นคนทำครัวอันนี้มันเป็นเหตุของความจำเป็นในการอยู่อยู่รอดอยู่ร่วมกัน ก็ต้องมีอาหารกินใช่หัหยอาหารกินบางวัดเขาก็ต้องอาศัยลงครัวเพราะว่าหมู่บ้านบางหมู่บ้านเขายากจนบินาบาล น, นี้อาหารได้มาไม่พอฉัน ก็ต้องอาศัยลงครัวญาติยโยมที่มีเงินมีทองเขาบริจาคเงินให้ไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาทำกันก็ต้องอาศัยแบบนี้สมัยที่เราไปอยู่บ้านตากใหม่ๆก็อย่างเงี้ยชาวบ้านยากจนบินนบาทนี้ส่วนใหญ่จะได้แต่ข้าวเหนียวมากับข้าวนี้ต้องรอลงครัวเขาทำวันละหม้อสองหม้อผัดนุ่นผัดนี่มา อันนี้เพราะว่ายกนั้นยังไม่มีคนรู้จักหลวงตามีบ้างแต่น้อยคนที่รู้จักก็อยู่กรุงเทพอยู่อะไรเขาก็มาทำบุญตลอดเวลาไม่ได้เขาก็เลยริจากเงินไว้ทิ้งไว้สำหรับเป็นค่าอาหารให้โรงครัวเขาทำกันส่งมาให้พระอยู่แต่ระยะหลังๆนี้คนรู้จักมากคนไปใส่บาตรมากอาหารในโรงครัวก็ไม่มีความจาเป็นอีกต่อไปก็เลยไม่ต้องเข้าครัวกัน อย่างวัดยาด น, นี้ก็ปิดครัวเลยไม่อยากให้มีโรงครัวเพราะว่ามีโรงครัวนอกจากมันมันจะมีปัญหาต่างๆตามมาหลายอย่างพวกที่อยู่คนละพวกมายึดมาเจอกันในโรงครัวเดี๋ยวก็มาตี <c oughs> <c oughs> ก็เลยอย่าไปมีมันดีกว่าให้สั่งอาหารมีคนก็มารับจ้างทําอาหารแล้วถึงเวลาก็มาวางไว้ที่ศาลาแล้วก็เอาไปถวายพระได้เลย คนที่มาปฏิบัติธรรมันก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันเต็มที่เลยไม่ต้องมาเสียวเวลากับการมาคอยหุงข้าวใส่บาตรมาทำกับข้าวไหนจะต้องไปซื้อกับขุ้งกับข้าวอะไรวุ่นวายไปหมดก็เลยตัดเรื่องโร ง, งครัวไปเลยสร้างโรงครัวอยู่แต่ตอนหลังเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่ามีแล้วเรื่องมากเปิดครัวแล้วก็ให้ให้คนภายนอกเข้ามารับส่งอาหารให้จัดปินโตให้ ต้องการอาหารอะไรก็สั่งเขาแล้วเขาก็เอามาส่งให้ตอนเช้าผู้มาอยู่ปฏิบัติก็จะได้ปฏิบัติทําได้เต็มที่เลยตอนเช้าตีสี่ตีละครังก็ลงโบสถ์ไม่ต้องมากังวลว่าเดี๋ยวต้องไปหุงข้าวเดี๋ยวต้องไปเตรียมอาหารใส่บาตรไปนั่งสมาธิไปทําใจให้สงบพอสว่างก็ไปเตรียมตัวไปรับอาหารเพื่อที่จะไปถวายพระแล้วก็เตรียมตัวรับอาหา ร, หารสบายดีปฏิบัติอย่างเงี้ยดีไม่วุ่นวาย จะได้เนื้อได้หนังกันแต่สมัยก่อนบรรยุคที่ไม่มีเงินทองเป็นยุคที่ต้องพึ่งตัวเองกันไม่มีคนจะมาบริการรับส่งอาหารให้ก็เลยต้องมีโรงครัวเพราะว่าป่านี้จะอยู่ที่กันดารอยู่ที่ไกลก็ต้องอาศัยการทําอาหารในโรงครัวมาเลี้ยงทั้งพระทั้งผู้ที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมร่วมกันหมดหรือยงังมีอีกค่ะคาเหลืออีกสองนาทีค่ะ คำถามจาคุณยิ่งพันเวลานั่งสมาธิแล้วมีความเจ็บปวดครูอาจารย์สอนให้พิจารณาว่าร่างกายเป็นศพไม่มีความเจ็บปวดหมายความว่ายอย่างไรครับควรพิจารณาอย่างไรครับร่างกายมันไม่มีความเจ็บปวดแล้วมันไม่รู้ความเจ็บปวดอย่าว่ามันไม่มีเลยมันมีแต่มันไม่ปวดไปกับความเจ็บปวดเหมือน ก, กล้องเนี่ยตั้งไว้มากี่ชั่วโมงข า, ขา ถากล้องให้มันตั้งกี่สิบชั่วโมงมันก็ไม่รู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยถ้าเป็นคนต้องให้มันนั่งอย่างนี้สัก ห้าหกชั่วโมงมันก็จะรู้สึกว่าเมื่อไอคนที่รู้คือใจเนี่ยไปรู้ความเจ็บปวดของร่างกายแล้วก็รับกับความเจ็บปวดของร่างกายไม่ได้ก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจไม่ใช่เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายความเจ็บปวดมันมีแต่มันมันไม่เป็นมันไม่เป็นตัวการตัวที่ทําให้ใจวุ่นวายทรมานใจก็คือความไม่อยากที่จะเจอความเจ็บปวดของร่างกายนี่เท่านั้นเองเห็น ต้องพิจารณาว่าร่างกายมันไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นปล่อยมันนั่งต่อไปมันจะเจ็บจะปวดไงก็ปล่อยมันไปผู้ที่เดือดร้อนคือใจถ้าอยากจะให้หายเดือดร้อนก็พุโทโธพุโทโธไปทําใจให้สงบเป็นโอเบขาแล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกาย เ, ออเข้าใจไหมอยากจะถามอะไระเห็น ท, ทําท่าจะพูดเ <c oughs> ปล่าเลยไม่พูดก็แล้วไปา <c oughs> หมดเวลาหรืออีกข้อหนึง่ง